นาฬิกาเท่าไหรหกโมงกว่าเนี่ยโอหกโมงกำลังแต่ยี่ห้านาทีนี่อะไรตัวอะไรบ้างไม่รู้เอาไว้นะั่นเอาไว้ น, ะนี่พา ท, ทั้งหมดอยู่นี่เท่าไหร่เนี่ยนะนี่ฮะทั้งหมดของเราเนี่เท่าไหร่ฮะ อ่าสี่ที่แปดเนนสองนี่มีพระต่างวัดมาอยู่ด้วยเปล่านี่้วนี่อ่ะพระต่างวัดมาจากไหนบ้างฮะมีหลายองค์อยู่เละพระต่างวัดอ่ะอันนี้ต่อไปนี้มันจะยั่วเยี่ยวยนะ์นะพอกวันษาแล้วนะโอ้ยผมบอกจะแตกจริงนะผมชนเอานะ ยิ่งเกี่ยวกับเรื่องมาช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วยิ่งหนักเข้าหนักเข้าทุกอย่างวุ่นไปหมดเลยเราที่เคยอยู่สบายสบายแต่ก่อนมากับมาเป็นทุกวันนี้มันเป็นคนละโลกนะมันทําไม่ใช่ธรรมดาเป็นคนละโลกนี่ผมก็ไม่ได้เทศสอนพระมาเป็นเวลานาน เรียกว่าทอดธุระไปตามกำลังของเราตั้งกับแปดสิบอายุแปดสิบแล้วก็หยุดเองนะมันหยุดของมันเองอันนี้มันก็เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมากระทตดอันเก่านะ่ะบึกบืนเพราะฉะนั้นมันถึงทุกข์มากลำบากมากที้วฝืนไหวของเรา ผมเป็นห่วงเป็นให่กับพระของเราโดยเฉพาะพระกรรมฐานนี่สำคัญมากซึ่งเป็นจุดสนใจของประชาชนให้พอได้มีหวังได้รับความอบอุ่นอยเวลานี้ก็คือภาคปฏิบัติแล้วก็เป็นห่วงสำหรับพระปฏิบัติของเรา มันจะลรูบๆดอนๆอนสุมส่มสี่สุ่มห้าไปเรื่อยๆนะกิเลสจะมีรสมีชาติเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหนาแน่นขึ้นมาภายในหัวใจของพระเราทุกสิ่งทุกอย่างรลายเป็นเรื่องของกิเลสโนูนหัวใจให้คิดให้อ่านให้พูดให้จาให้ขวนขวายไปตามกิเลสเสียทั้งนั้นนะ่ะเวลานี้นะทำนี้ ปหนึ่งว่าจะค่อยมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปเพราะอานาจของกิเลสมันตีเข้ามาทุกด้านนะเราได้เห็นชัดๆที่เกี่ยวกับวัดป่าบ้านตาดนดูที่การงานอะไรๆนีเข้ามาเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาโลกเขาไม่ได้คิดนะว่าเป็นอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมแต่จิตใจของเราเป็นธรรมล้นล้วนว่าอย่างนี้เลยนะ อะไรแฝงเข้ามาปั๊บนี่จะรู้ทันทีทันทีไม่มีคำว่าชินชากันนะเนี่ยถึงได้รู้เรื่องของกิเลสมันลุกลามขึ้นหนักมากทุกวันทุกวันความสะดวกสะดวกทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสจูงสัตว์โลกทั้งนั้นนะอ่าสัตว์โลกไม่รู้ อ, อย่างทุกวันนี้เห็นไหมล่ะไปอยู่ที่ไหนโทรศัพท์กับ กับหูนี่จอกันอยู่นี่โอยผมดูกม่ได้นะผมสรุดสังเวนะ้น่ะอย่างนี้เห็นไหมอยู่ที่ไหนยืนอยู่ก็าตามนั่งก็าตามไอ้จออยู่นี่แหละเราสรุดสังเว้นี่แหละว่าเพื่อความสะดวกเพรางั้นนะไอ้ความยุง่งเหยิงวุ่นวายให้จิตใจคุณมัวมัว่วสมเดือดร้อนตลอดเวลา ก, ก็คือสิ่งเหลนี้เป็นเครื่องส่งเสริมด้วยนี่เวลานี้กําลังนี่แหละที่ว่าโลกมันสะดวกสะดวกของกิเลส แต่เป็นค่าสือกของธรรมทุกระยะระยะไปเลยผ้าเราจะรู้ไหมเหล่านี้นะนี่ในวัดในว่าจะมีตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเต็มบ้านเต็มเมืองนะรู้ที่ตั้งแต่รถราเนี่ยก็ดูเอาสินี่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงรถลากับกรรมฐ า, านเรามันกืนเข้ามาอย่างนี้แหละให้พิจารณาเอากืนเข้ามาเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวก มันสะดวกเรื่องของกิเลสทางนั้นมันไม่ได้สะดวกเพื่อทำนะอืนี่คิดทุกแง่ตรงงูมันเอาคิดตัวมันเองรู้เองเพราะมันไม่เคยชินกับสิ่งเหล่านี้นะสัมผัสเข้ามามันกระรูดทันทีเหมือนไฟขี้เรากิเลสเข้ามาจี้ทำรู้ทันทีอย่างนั้นแหละแยบเข้ามารู้ทันทีไฟขี้เราก็แบบเดียวกันแล้วกิเลสขี้ทำก็อย่างเดียวกัน สติธรรมปัญญาธรรมมีประจาใจทำไมจะไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกผ่านเข้ามานะั่นเท่ากับวาจี้นั่นเองมันจะรับทราบกันทันทีทันทีเลยนะธรรมราไม่ทราบไม่ว่าท่านเ ร, ราใครๆไม่ทราบแต่ธรรมชาติของจิตอันนี้มันเป็นของมันเองอย่างนั้นนะมันทราบตลอดยึงว่าไม่เคยชินกับสิ่งใดตลอดไปเลย เพราะฉะนั้นอะไรผ่านเข้ามามันทังรู้ได้ชัดเจนชัดเจนรู้โดยหลักธรรมชาติของมันไม่ใช่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาจะรับทราบจะปัดจะปิดจะป้องอะไรอย่างนี้ไม่นะมันสัมผัสเข้ามาอันใดจริงอันใดปลอมมันก็รู้ทันทีทันทีเป็นได้หลักธรรมชาติของจิตอย่าพูดให้เต็มยศก็คือว่ามันจริงล้วนแล้วอะไรปลอมแฝงเข้ามานิดมันก็รู้ทันทีทันที สิ่งอันนี้ใครเคยคิดเคยอ่านไม่เมื่ อ, อไหรไม่คิดผมเองผมก็ไม่คิดนะที่ที่ีว่าลู่ลู่เดียวนี้นะเมื่อมันถึงขั้นเป็นอย่างนั้นแล้วใครเป็นมันก็รู้ด้วยกันนะไม่ต้องมีใครบอกใครสอนมันจะรู้อย่างเดียวกันนี่เป็นประจักษ์ในตัวเองงั้นจึงเห็นได้ชัดว่าทำนี่ละเอียดมากสุดยอดเลยนี่เียดกจะละเลียดแยี่ยมคมกว่านานไหน มันเป็นความโสโปรกโสมมเป็นสิ่งที่หยาบโลนกระทบกระเทือนหนักต่อธรรมทั้งหลายมาตลอดอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อจิตมันไม่มีธรรมเข้าภายในใจจิตกับกิเลสมันก็เป็นอันเดียวกันเสียเลยไม่ทราบว่าอันใดถูกอันใดผิดมันกลกลายเป็นหลังหมีดําไปหมดเลยจิจทั้งดวงเป็นหลังหมีดําไปเลยไม่มีด่า ง, ด า, งดาวดาวพอจะทราบว่าตรงจุดนั่นดําจุดนี่ขาวจิตมันดําไปหมด กอเป็นอย่างนั้นเมื่อมันได้เป็นเต็มสัตว์เต็มส่วนแล้วของจิตดวงนั้นทำมาชาตินั้นแล้วคือทำกับปิดเมื่อพูดให้เต็มเมรยศแล้วก็จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันเลยจะแยกไปไหนไม่ได้นั่นแหละถ้าถึงขั้นนั้นแล้วมันจะรู้ทุกอย่างขึ้นชื่อว่ากิเลสมันจะลเอียขนาดไหน มันก็มีความหยาบในตัวของมันเหมือนเรียวกว่ากระทบกระเทือนเหมือนเราไฟจี้เหมือนไฟมาจี้เราจะละเอียดขนาดจี้มันก็เจ็บแป๊บแป๊บกิเลกจะละเอียดขนาดไหนมันก็เหมือนไฟจี้ที่ทําสติธทำปัญญาธรรมรักษากันอยู่รู้โดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติอย่างนี้เรื่อยมาการปฏิบัติภาวนาเนี่ เคยสอนหมู่เพื่อนให้มีความแม่นยำต่องานการของตนในที่การตั้งลากฐานจิตใจให้หาความให้ให้มีความสงบไม่ได้นอกจากเราเนื่องจากเราจับจดไม่จริงไม่จริงกับงานของตัวเองที่ทำถ้าจริงจังแล้วต้องได้ไม่สงสัยยิ่องอยางให้ฝึกหัดภาวนาคำบุิกรรมเป็นเครื่องการรกับจิต เพื่อจะตั้งรากฐานของจิตให้มีความสงบขึ้นไปโดยลําดับลําดับนี้จะตั้งได้ด้วยคําบริกรรมภาวนาถ้าปล่อยให้จิตกําหนดรู้เฉยเฉยเฉยไม่ได้เลื่องนะรู้มันก็รู้ในเวลาตั้งใจพอเผลอแป๊บเดียวออกรู้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสไปแล้วมันก็กลายเป็นกิเลสไปหมดซะดิแต่ตั้งคําบริกรรมด้วยความบังคับบัญชาหนานแน่น มีสติกำกับตลอดเวลาอย่างนี้แน่นอนว่าจิตต้องสงบได้เป็นอื่นไปไม่ได้ว่างนี้เลยนะเพราะนี้ได้เคยฝึกเจ้าของแล้วตอนที่มันมาลู่จริงลู่จังเห็นจริงเอาจริงเอาจังกันก็ตอนที่จิดเสื่อมจิดเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมากได้ไปกว่าๆนะจึงนำมัดพิจารณาตั้งกฎใหม่ขึ้นมาใส่ตัวเอง เราพยายามเท่าไหร่มันเจริญขึ้นไปได้สองสาวันเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาแล้วสิบสี่ิบห้าวันถึงจะฟื้นขึ้นมาได้สิบสี่สิบห้าวันเราเราแทบเป็นแทบตายนะทุกข์ทรมานมากแล้วขึ้นไปพอสงบเย็นใจบ้างสองสามวันเท่านั้นเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตลอดมาได้ปีกว่ากีดผมเสื่อมทั้งเดือนพฤศจิกาปีนี้นะ เดือน <De al> พฤศจิกาปีหน้าผ่านไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษ า, านานไหมคิดดูสินี่ละที่ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วก็กำหนดเอาจิตเฉยเ น, นี่ยําหนดกาหนดจิตเฉยมันก็เปลี่ยนให้เห็นอยู่อย่างนี้จึงทำให้เกิดความสงสยัยก็มาทามาสงสัยมันอาจจะเป็นเพราะการตั้งต จิตเอาเยเฉยมีสติกำกับจิตนี่มันอาจจะเผลอไปตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ทีนี้เราจะต้องเราจะตั้งคำบริกรรมเอาคำบริกรรมเป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์เลยให้จับกับคำบริกรรมนี้ด้วยสติตลอดเวลาเอาทีนี้มันจะเผลอไปที่ไหนก็ให้รู้ทีละตอนมาได้เหตุได้ผลกัน อันนี้ก็ตัดสินใจลงเลยว่าเอาที่นี่มีคำบริกรรมเป็นรากฐานนำขันตั้งปักไปเลยด้วยคำบริกรรมแต่ว่าตั้งจริงๆนะนิสัยมันจริงจังมากนะพอตั้งสัความสั์ความจริงลงไปแล้วก็เหมือนกับหินหักเลยนะไม่ให้มีเงื่อนต่อกันเลยต้องจริงจังอย่างนั้นอเอาที่นี้เอาพุโทโธจะเผลอไปไม่ได้มันเป็นยังไงวะ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับจะไม่หออไม่มันเถือเลยเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติกับคาบริกรรมต้องให้ติดแนบติดแนบตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างนี้ถึงขนาดนั้นนะตั้งขนาดนั้นแหละเรื่องว่าจิตว่าเสื่อมว่าเจริญนั้นต่อยหมดแล้วเพราะความไม่ไม่อยากให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอยากให้เจริญมันก็ไม่ได้เจริญ มันไม่ได้สมบวังทั้งสองอย่างคราวนี้จะเอาสิ่งสมหวังจากพุทธโทคำบริกรรมอย่างเดียวจิตจะเสื่อมให้เสื่อมไปจิตจะเจริญให้เจริญไปไม่เป็นอารมณ์ยิ่งกว่าคําบุรีกรรมอันนี้จะเสื่อมไปไม่ได้จะสูญไปจากสตินี้ไปไม่ได้ตั้งกึกลงไปนี้เนี่ยเอาละทีนี้หายห่วงจิตจะเจริญหรือเสื่อมปลอยเลยเที่ยวมีแต่คําบริกรรม จะไม่เสื่อมให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธเฮ้มันประจักษ์จริงๆนะคือเราเอาจริงเอาจังมากทีเดียวไม่ยอมไม่เผลอเลยไอบินทบาทไม่ทราบเขาใส่อะไรไม่ใส่อะไรนะคําว่าพุโทโธกับสตินี่ติดแนบติดแนบจะเป็นขบกันฉันเคลื่อนไหวไปมาพุโทโธจะไม่ยอมปล่อยเลยนี่เราจึงเรียกว่าเป็นเหมือนตกนระกทั้งเป็นนะ บ, บังคับก ให้อยู่กับพุทธโธมีคำสติบางคำนี้หนักหนักมากนะไม่ให้เคลื่อนไหวไปไหนเลย เ, เคลื่อนไปไหนกให็ให้สติไม่ให้เคลื่อนให้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำประจาประจาติดแนบก็ไม่นานนะนี่แหละที่มันเห็นชัดชัดนะความเสื่อมความเจริญต่อยทิ้งหมดแล้วไม่ปล่อยตั้งแต่ พุโทโธกับสติติดกันแนบแนบแนบอยู่ตลอดปล่อยมุหลอกนั้นปล่อยหมดไปไหนมีแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธติดแนบอยู่พอนั้นมันถึงได้เห็นความละเอียดของจิตทีนี้เวลามันนานเข้านานเข้าคําว่าพุโทโธครับจิตนี้ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกลายเป็นอันเดียวกัน ทีนี่นึกคำบริกรรมพุโทโธไม่ไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดเต็มที่อยู่นั้นคบริกรรมนึกยังไงก็ไม่ปรากฏจนเจ้าของก็งงสงสัยเจ้าของแล้วจะทำไงนี่เราก็อาศัยพุโทโธนี่เป็นที่เกาะที่ยึดที่นี้พุโทโธก็ไม่มีแล้วบริกรรมยังไงมันก็ไม่ปรากฏเลยทำไงเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอั น, นึ่งขึ้นมาเอา ถึงคําว่าพุโทโธจะหายไปก็ตามจิต ท, ที่รู้เด่นอยู่เวลานี้ไม่หายยิ่งละเอียดละอ่ให้ตั้งสติไว้กับความรู้อันนี้นั่นทีนี้จับคําบริกรรมพุโทโธไม่ได้ก็จับธรรมชาติที่รู้ด้วยสติเอาอยู่นี้อีกเขาตั้งสติไว่อีกเหมือนกันมันมันแนวของมันจนกระทั่งมันถึงจังหวะแล้วจิต ท, ที่ว่าบริกรรมไม่ได้ มันก็คลี่คลายออกมาเหมือนว่าจิตมันสงบตัวออกมันแล้วถอยออกมาัมนพอพอมันคลี่คลายออกมานิดหนึ่งพอละบนคาเอาคาบริกรรมพุทโธได้ปรากฏว่าพุทโธได้แล้วเอาพุทโธติดเข้าไปเลยนันจากนั้นมาก็รู้จักวิธีปฏิบัติเวลามันเข้าละเอียดจริงๆนี่พุทโธไม่มีนะไม่มีจริงๆตจวกจระทั่งเจ้าขององเนื้อยังไงก็ไม่ปรากฏ เหลือแต่ความรู้ระวนจึงเอาต้องเอาสติเข้าไปติดกับความรู้อ น, นั้นไว้แทนพุทธโธแทนพุทธโธนี่ละที่มันเป็นที่แน่ใจว่าจิตนี้ต้องสงบได้แน่นอนถ้าบังคับเป็นความสัตย์ความจริงอย่างนี้แล้วเป็นอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะนี่ก็จึงเริ่มเจริญขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นที่มันเจริญแล้ว ส3าวันมันเสื่อมลงไปถึงขั้นนั้นแล้วก็ปล่อยความอะไรตายอยากทั้งหมดเลยนะเอาจะเสื่อมก็เสื่อมไปถึงจุดนี้จุดที่เคยเสื่อมแล้วบังคั้งไมมันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาคราวนี้อยากเสื่อมเสือมไปแต่กับคาบริกรรมไม่ยอมให้เสื่อมจากกันเลยติดไปนั่นอีกพอไปถึงที่นั่นแล้วอ้าวมันจะเสื่อมก็เสื่อมลงไม่เสียดายปล่อยอารมณ์เลยคำบริกรรมนี ติดแนบติดแนบมันจเจริญขึ้นไปตรงนั้นอา้าวที่นี่มันจะเสื่อมไหมไอนน้สุดท้ายมันไม่เสื่อมนะพอถึงขั้นนี้แล้วได้สองสามวันมันเคยเสื่อมเคยเสื่อมมาเป็นประจำทีนี้ไม่เสื่อมไม่เสื่อมพุโทโธติดแนบเข้าไปยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปก็เด่นชัดเด่นชัดแต่ยังไม่ถอยถึงเรื่องคําบริกรรมเอาจนกระทั่งถึงว่าความรู้นี้เด่นมาก เราจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ความรู้นี้เด่นอยู่แล้วเป็นธรรมชาติหรือเป็นเป้าหมายหนึ่งแห่งความแพ่งเรงของจิตและสติจับจุดนี้ได้แล้วนะก็อยู่นั่นอีกหนะต่อไปมันคําบริกรรมมันก็ปล่อยมันของมันแต่ปล่อยนี้มันก็จับความรู้ที่เด่นที่เด่นน่ะ น, นั้นแหละก็ค่อยแน่นหนาะมันคงขึ้นไปเรื่อยนี่เตือน ให้หมู่เพื่อนได้ทราบว่าการตั้งจิตเบื้องต้นต้องเอาจริงเอาจังตั้งถ้าตั้งอย่างที่ว่าแล้วสงบได้แน่นอนไม่สงสัยเพราะผมเคยทํามาแล้วจากนั้นก็แน่นหนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่เคยเสื่อมนะพเพราะเราเราเฉดลาบเรื่องความเสื่อมมงอกจิตนนี้ยิ่งเอาจิงเอาจังมากก็ไม่เสืมนี่การตั้งจิตเพื่อให้เป็นรากฐานของตัวเองจริงๆในการภาวนาเป็นหลักของใจจริงๆ อย่าทำหรอกแหละนะให้มีจริงมีจังอย่างนี้แหละเราจะได้เห็นหลักเกณฑ์ของใจเกิดขึ้นที่ใจตัวเองความสงบจะปรากฏขึ้นความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบจะแน่นขึ้นไปโดยลำดับํำราจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิคําว่าความสงบกับสมาธินั้นไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อพูดตามภาคปฏิบัติแล้ว ความสงบนั้นคือจิตสงบลงไปหรือว่ารวมลงไปห น, หนึ่งแล้วถอนขึ้นมารวมลงไปห น, หนึ่งแล้วถอนขึ้นมาเรียกว่าสงบเป็นครั้งคราวในเวลากิตที่รวมลงไปถอนขึ้นมานี่เรียกว่าความสงบทีนี้เวลามันสงบลงไปถอนขึ้นมาหลายครั้งในาหนนี้มันสร้างฐานแห่งความมั่นคงภายในตัวของมันขนาดที่สงบนั้นเรื่อยมา จนกระทั่งได้เป็นจิตที่แน่นหนามั่นคงขึ้นมาจากความสงบที่สั่งสมกาลังแห่งความแน่นหนามั่นคงมาเป็นําดับนั่นติดต่อกันมาเรื่อยๆเลยกลายเป็นสมาธิขึ้นมาที่นี่แน่นหนามั่นคงนี่เรียกว่าเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วเวลาสงบแล้วถอนขึ้นมาสงบถอนขึ้นมานั่นเรียกว่าจิตสงบหรือว่าจิตรวม พอถึงขั้นเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วจิตจะถอนขึ้นมาไม่ถอนขึ้นมาก็ตามฐานของจิตคือความสงบนั่นแน่นปงึงปึงตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเห็นประจักษ์ในหัวใจอย่างนี้อ๋อสมาธิกับความสงบนี่ต่างกันนั่นทีเรียกว่าสมาธิอันนี้เพื่อให้ถูกต้องดําเนินด้วยความราบรื่นพอจิตเป็นสมาธิมีความสงบ มันอิ่มอารมณ์ไม่เสียดายในความคิดความพรุงไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสต่างๆพอใจอยู่กับความสงบใจของตนนั้นเรียกว่าจิตมีสมาธิจิตอิ่มอารมณ์คือไม่อยากคิดกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อาศัยความสงบเย็นใจความแน่นหนามั่นคงของสมาธินั่นเป็นเลือนอยู่ของใจอันนี้จิตขั้นนี้จะเวลามันสงบ มีกำลังมากๆแล้วมันจะลำคาญในการชิดการปรุงต่างๆนะซึ่งแต่ก่อนมันหิวโหวยมากไม่ได้ชิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้ดิ้นดิด้นอยากชิ ด, อ ย, ด, อ, ยดอยากปรุงพอจิตมีความสงบเป็นจิตแน่นหนามั่นคงเรียวกว่าเป็นสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากชิดความชิดเป็นการรบพวนตัวเองจิตที่อยู่แนว่วมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในตัวนั้นถือว่าเป็นความสะดวกสบาย ไม่มีอะไรมากวนใจนี่เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิจึงมากติดในสมาธิหรือติดในสมาธิเพราะสมาธินี่ก็เป็นอารมณ์กล่อมใจได้ดีเมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาที่จะมีผลมากกว่านี้แล้วจะติดได้เฮ้พอจิตมีความแน่นหนามันคงแล้วไอ้ที่มันอิ่มอารมณ์ออแล้วทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วพาออกทางด้านปัญญา ถ้าจิตไม่อิ่มอาอรมณ์ยังหิวอารมณ์อยู่แล้วออกทางด้านปัญญาจะเป็นสัญญาไปเรื่อยๆขาดหมายอย่างนั้นนี่กลายเป็นสมุทัยไปหมดเลยไม่เป็นปัญญาให้เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้อบรมทางสมาธิสก่อนสมาธสมาธิปัะปัปปปิภาลิตโตปัญญามหาปราโหุจิวะหะรังโซนคือสมาธิมีความแน่นหนามั่งคงแล้วสมาธิคือความอิ่มตัวแล้วก็โน่นปัญญา ได้พิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวคล่องตัวเป็นปัญญาจริงๆไม่ได้เป็นสัญญาอารมณ์เพราะจิตอี่มอารมณ์แล้วนั่นออกพิจารณาทางด้านปัญญายกเอาเรื่องธาตุเรื่องขันผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเองกระดูกกระทั่งถึงร่างกายทุกสั์ทุกส่วนให้เป็นเหมือนไฟได้เชือ้อเชื้อนั้นคือร่างกายทุกส่วนนี่แไฟคือสติปัญญาตะปะธรรม หมูลเข้าไปพิจารณาเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับอวัยวะใดก็าตามในร่างกายของเราที่เป็นที่ถนัดใจพิจารณาอ น, นันอันนั้นแล้วจะค่อยแตกก็จะกระจายไปถึงเรื่องว่าอสุภะอสุพังอย่างนี้ก็ว่ากันอสุภะก็คือของไม่สวยไม่งามของโศ ก, กโศกข อ, อกนั่นเองจะเป็นอะไรไปอืมก็ร่างกายของเรานี่คือคือป่าช้าผีดิบอยู่แล้วคือซ่วมคือฐานอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมัน เป็นแต่เพียงว่าผิวหนังบางๆไปปิดเอาไว้นิดหน่อยหลอกลวงทั้งตัวเราหลอกลวงทั้งผู้อื่นเป็นสิ่งที่หลอกลวงโลกได้ด้วยผิวหนังบางๆนั่นเท่านั้นเองแล้วจากบางๆไปนั้นมีอะไรเนี่ยเรียกว่าหมดทั้งตัวไม่แต่เรื่องกองอ า, า, า, าชุพ่าอาุพ่างป่าช้าผีดิบเต็มไปหมดในร่างกายของเราพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้ ผิวหนังบางๆก็เอาแยกเอาละเอียดเข้าไปผิวหนังมันก็มีที่เหงือที่ใครอยู่ในนั้นนี่แล้วมันสะอาดที่ไหนเนี่ยจากผิวเข้าไปก็เป็นหนังแหละที่นี่หนังกับเนื้อมันก็ติดกันไปเข้าไปข้างในอะไรยิ่งโผลกระโปกโสมมปัญญาหยั่งเข้าไปหยั่งเข้าไปครั้งนี้เห็นเท่านี้ครั้งต่อไปพี่น้าเข้าไปค่อยแยกคลายไปแยกคลายไปความเห็นค่อยละเอียดเรอเข้าไปเข้าไป ลูกลามไปได้หมดเลยปรากฏตั้งแต่อสุภาษหมดทั้งตัวเลยนี่ในปัญญาเก้าเดินตามนี้จะมีความข้องแคล่วว่องไบแล้วมันจะค่อยถอนตัวของมันเองเรื่องความรักความชังราคาตัณหาเนี่มันจะค่อยถอนตัวของมันออกไปออกไปเรื่อยๆนี่คือนาสินตรงนี้ให้ชัดเจนมากสท่าไหร่เรื่องราคาตันหา มันถอนเขามันเองแหละที่มันเป็นราคาสนาก็เพราะมันหลงอันนี้เข้าใจเป็นของสวยของของงามก็รักก็ชอบใจกํากหนัดยินดีไปได้สิก็เมื่อเห็นสิ่งวันนี้มันเป็นป่าช้าผีดิบเลยมันจะไปกําหนัดอะไรออยู่ในป่าช้ากองกันผรวลกันตึ้ใครไปกําหนัดยินดีกับมันที่ไหนนั่นอันนี้ป่าช้าของเราก็เหมือนกันเมื่อลงได้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันก็ถอนตัวออกมา ถอนตัวออกมาแล้วความชั่มีชํานาในอสุภะอสวงมากเท่าไหร่ป้าหนึ่งว่าราคาไม่มีนะเหมือนมาหมดไปเลยทั้งๆทีท่มันสงบตัวของมันต่างหากมันไม่ได้สิ้นได้หมดนะแต่ปราหนึ่งว่าสิ้นไปแล้วราคาเพราะอำนาจอสุภะอสุภังทับหัวมันไวะะนั้นจึงแยกแยกพิจารณาขายับขย้าย แพ่งดูภายนอกออกไปเขาเป็นกับเหมือนกับร่างกายของเราดูร่างกายก็เหมือนภายนอกแล้วดูร่างกายของตัวเองชัดเจนเข้าไปมันก็เห็นเมื่อมันมีความชำ น, นิชำนาญแล้วดูซากอสุภาสุพัรเจ้าของที่กางเอาไว้ข้างหน้าเช่นกองสุภาของตัวเองหรือกองอสุภาของผู้ใดก็ตามมาตั้งไว้ตรงหน้ามันก็เห็นชัดเจนต่อ้นขั้นสุดท้ายก็ กองอสุภาสุพังทั้งของเขาทั้งของเราออกไปกองเอาไว้มันเป็นมาจากไหนนั่นเวลามันจะถึงตัวจริงของมันกองอสุภาสุพังที่ไปตั้งเอาไว้นี่กําหนดดูให้ชัดเจนเดูอันนี้มันเป็นยังไงอสุภาษา น, นี่มาจากไหนความเคลื่อนไหวของมันจะปรากฏขึ้นม า, ารูเวลาเราทําลายทําลายเมื่อไหรก่ก็ได้ตั้งขึ้นมาภาพให้ดับ ขาดจบั้นลงไปทันทีทันใดก็ได้เพราะปัญญาคล่องแพล่วว่องไวอย่างนี้เราจะพิสูจน์ให้มันเห็นชัดว่าอสุภาษนี่มันมาจากไหนทั้งๆ ท, ที่เราตั้งขึ้นมานั่นนะมันตั้งขึ้นมาจากอะไรอะไรพาให้เป็นอสุภาษ์ขึ้นมาต่อหน้าของเรานี่เพ่งดูนั่นรูตัวอสุภาตัวนี้มันจะเคลื่อนไหวไปไหนมันจะ เข้าในหรือออกนอกคือมันจะเหินเดินหอเหินเดินฟ้าไปไหนดูจุดนั้นให้ดีนี่ถึงขั้นที่มันจะตัดสิงกันนะเอาดูจุดนี่ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นตัดสิงกัแล้วดูมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งแง่หนึ่ ง, งของมันพอถึงขั้นที่มันจะตัดสินกันแล้วอสุภะที่เรากําหนดอยู่ข้างหน้านี้แหละแล้วจิตมันจะเพ่งดูนานๆแล้วมันก็มันจิตดวงนี้แหละมันค่อยตื่นเข้ามาตื่นเข้ามา เอาจู פ าที่นั่งเด่นอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยความเด่นเด่นแล้นเราถูกความรู้นี้แหละคือใจเนี่ยมันกลืนเข้ามากลืนเข้ามาจุดท้ายก็เอาจู פ านี้เลยมาเป็นใจใช่เองไปหลอกตัวเองตั้งเป็นจู פ านั้นขึ้นมาขั้นเวลากําหนดตามหลักของจริงแล้วจู פ นเลยหมุนเข้ามาหาใจตัวเองซึ่งเป็นผู้ไปวาดไปวาดนี่แหละเลยกลายเป็น จิตเองเป็นผู้ไปวาดภาพตัวเองทั้งว่าสวยว่างามทั้งว่าอสุภอัภุพังไม่ใช่ผู้ใดคือตัวจีนเองไปหลอกตัวทั้งสองด้านนั่นแหละพอเข้าถึงนี้แล้วมันก็รู้ตัวจริงของมันว่าตัวนี้เป็นผู้หลอกตัวนี้เป็นตัวอสซุพะหรือเป็นตัวสูพะภาพข้างหน้าที่เรากำหนดไว้นั้นไม่ใช่สูพะไม่ใช่อสุพะตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ไปหลอก วาดภาพไว้ข้างหน้าเวลาพิจารณาแล้วมันก็กืนเข้ามากระตุน่นเข้ามาหาผู้ตัวไปหลอกนี่เองเนพอถึงที่แล้วมันก็ปาดถึง่งอะไรเรื่องอสุภาพก็ตามสุภาพก่ตามภายนอกภายนาที่ไหนมันไม่ถือเป็นมันหายิ่งกว่าสุภาพและอสุภาพที่เจ้าของคือใจดวงนี้เองเป็นผู้ไปหลอกซะเองนะไปตั้งนั้นไว้พอมาลู่ตัวเองว่าเป็นผู้ไปหลอกตัวเองก็กลืนเข้ามา มันก็เห็นชัดเจนว่าตัวเองนี่เท่านั้นเป็ น, ปนผู้ไบว่าภาพว่าสุภาสภาวัตถุภาพภายนอ ก, ก, กไหลเข้ามาเป็นอัุภาพภายในหัวใจเสียนั่นอ้ น, นี้มันก็ปล่อยเลยปล่อยเรื่องราคาตันหามันปล่อยนี่เป็นขั้นเริ่มแรกที่มันปล่อยนะนตัดสินใจว่าแน่แล้วทุกนี้นั่นถึงจะไม่ เสร็จสิ้นร0อยเปอร์เซนเหมือนพวกที่เป็นชิปปาปิญยาก็ตามแต่ก็เรียกว่าสอบได้แล้วขั้นนี้ให้เป็นกําเริอบเป็นอื่นเป็นไปไม่ได้จะให้ย้อนกลับมาเป็นเป็นราัาธาอีกเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้แล้วนี่แน่ใจเจ้าของที่นี่ก็มีแต่จะฝึกฝนเจ้าของฝึกซ้อมเจ้าของโดยตั้งอรุภาที่เคยพิจารณาดังที่ว่านั้นะ ที่มันเกินเข้ามาเกินมาแล้วตั้งอันนั้นปั๊บกำหนดเข้าไปแล้วค่อยเกินเข้ามาเรื่อยเกินกมา่มาถึงตัวนี้อีกตั้งอีกตั้งใหม่อีกตั้งเรื่อยเข้ามาเรียกว่าฝึกซ้อมขั้นนี้ให้ชานี้ชํานานขั้นราคาตันหาได้หลักได้เกินแล้วที่ฝึกซ้อมให้มีความชำ น, นิชํนนานาญเข้าไปพอไปตั้งเป็นอุค์ประขึ้นมาพอกำหนดกําหนดนี้อันนั้นมันจะค่อยหมุนเข้ามา หมุนเข้ามาหาตัวใจคือตัวผู้รู้นี่ตื้นโปรยไปหมดเอาตั้งใหม่นี่แหละนี่เรียกว่าฝึกซ้อมอีกขั้นนี้ขั้นได้หลักได้เกณฑ์เรื่องสุภาอสุภาะแล้วแล้วพูดถึงเรื่องราคาก็เป็นอันว่าขาดไปแล้วนี่แต่ยังมี อ, อะไรยังไม่สิ้นไม่สุดส่วนใหญ่ขาดเรียบร้อยแล้วให้กําเริบไม่มีทางแล้วแต่ส่วนย่อยส่วนอะไรที่ จะเรียกว่ามนทินหรือเรียกว่าสนิมมันเล็ ก, กน้อยอติดอยู่กับนั้นยังไม่เนี่ยที่ว่าสอบได้แล้วตั้ง50ซนตี่เรียกว่าสอบราคาตัณหาได้5้อร์เแล้วที่เป็นขั้นได้แล้วต่อไปนี้จะฝึกซ้อมกันให้เป็น60 70% ซด้วยความชำนีชํานาญในการกําหนดอสุภะไม่หยุดไม่ถอยเข้าไปเรื่อยๆต่อไปอันนี้ก็จะหมุนเข้ามาเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วดับไปเรื่อย พอเข้ามาถึงใจแล้วก็ดับที่ใจเข้ามาถึงใจแล้วดับที่ใจเร็วเข้าดับที่ใจเรีวมาสลายดับที่ใจนั่นนี่เรียกว่าฝึกซ้อมขั้นการมาราคะที่สอบได้แลดับแล้วเพื่อให้มีความชนะทถึงํานานก้าวขึ้นสู่ความาสิ้นราคาโดยสิ้นเชิง น, นั่นแต่ยังไงมันก็ไม่มีกำริบแล้วถ้าถึงถึงขั้น50เรนี้แล้วเรียก ว, ว่าตัดขาด ให้ให้ ใ, หใหถอยลงมาเขาที่ไม่ถอยเป็นแตเพียงอวมันชาการฝึกซ้อมตัวเองนีหากเป็นไปเองไม่มีใครบอกก็รู้ <c oughs> แล้วฝึกซ้อมไปเรื่อยจ <c oughs> ำนี้ํานาง <c oughs> ขั้นต่อไปเวลามันหมดมันสิ้นไปจริงกำหนดภาพขึ้นมาภาพพอปรากรวดภาพมันก็ดับพร้อมดับพร้อมจะเข้าในหัวใจหรือไม่เข้าในหัวใจมันก็รู้มันดับพร้ดับพร้มหมดนี้มมีไม่มีการฝึก แต่เราก็ต้องอาศัยภาพแบบนี้แหละเป็นเครื่องฝึกไปเรื่อยๆชานานไปเท่าไหร่ก็ต้องฝึกอยู่นี้จิตมันจะค่อยก้าวของมันไปเองจากนั้นมันก็เป็นความว่างไปว่างไปว่างไปแล้วก็ติดตามพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อพิจารณาร่างกายมันหมดปัญหาไปแล้วมันก็ต่อเนื่องถึงพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญาณซึ่งเป็นนามธรรมารูปกายนี้ เ, เวลามัน มันหมดปัญหาไปแล้วให้พิจารณาวันนี้ซะก่อนมันไม่ยอมพิจารณามันรู้เองนั่นแหละคือมันพอการมืจอกเลยพอตัวแล้วละได้แล้วเรื่องก็พิจารณาร่างกายเกี่ยวโยงกับการเมื่อกี้นันก็ค่อยหมดปัญหาจงกระทั่งนิมิตที่ว่านี้หมดไปโดยสิ้นเชิง น, นั่นการมราขาก็หมดไปหมดไปน่นะไปแบบนี้แบบนี้แต่มันก็ว่าแล้วก็พิจารณาถึง พวกสัญญาสัางขารเฉพาะอย่างยิ่งสังขารตัวสําคัญมันปรุงแพรเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ดับที่นั่นนี่เรียกว่าพิจานานามธรรมามันนับเป็นไปเองน ะ, ะสัญญาสังขารวิญญาณส่วนมากจะหนักคือทางพวกสังขารผู้พิจารณานามธรรมนี่คอยดูความปรุงความคิดความเท่ามองฝ่องใสที่เป็นสัญญาอารมณ์มีอยู่สองอย่างสัญญาสังขาร มันจะเป็นอยู่ภายในจิตจติดตามเข้าไปเรื่องร่างกายมันหมดปัญหาไปแล้วมันจะมีแต่น้า ม, มาทํามีแต่ที่ปรากฏออกมาจากจิตแล้วตามเข้าไปก็ไปดับที่จิตตามเข้าไปนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมตลอดเหมือนกันความชิดความปรุงของจิตคิดเรื่องอะไรมันก็ดับพ่อมดับพ่อ่คิดดึก็ดับคิดตั่วก็ดับแล้วก็ฝึกซ้อมกันไปในตัวแล้วก็ก้าก็ไปถึงตัวใหญ่คือวิชาอะไร นี่เราพูดเพียงย่อๆสรุปเอาน้านี่นะนะถ้าพูดถึงภาคปฏิบัติดีทอนั้นเหมือนฟ้าดินถลม่มการพิจารณาก็ยืดยาวนานไม่ทราบว่ากี่วันกี่คืนฟาดกันอยู่อย่างนั้นแต่มีสรุปเอาความที่มากในการพิจารณาทำทั้งหลายให้เห็นชัดเห็นเป็นลำดับลำดาไปคาว่ากามกรเลิมันขาดขาดยังไงเขาขาดอย่างนี้แหละพ อ, อถึงขั้นที่ นิมิตที่เรากําหนดไว้ข้างหน้ามันหมุนตัวเข้ามาเป็นใจกลืนเข้ามาซะเองแล้วนี่แหละเรียกว่าอะไรลากฐานนิมิตภายนอกแล้วหมดละปัญหาก็มันทราบตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้หลอกไปตัวเองต่างหากไปตั้งสุภาขึ้นมาก็ตัวเองหลอกตัวเองอสุภาคนดีอสุวะคนิดเป็นตัวเองหลอกตัวเองแต่เวลาเรายังไม่รู้ตัวนี้นั้นก็เป็นทางเดินของเราถูกต้องนะแต่พอรู้ตัวนี้แล้วมันก็รู้โทนตัวเอง ของจิตเนี่ยว่าตัวจิตเองไปหลอกแน่ะมันเป็นขั้นเป็นตอนในขณะที่ยังไม่รู้ก็เป็นทางเดินอันดีงามถูกต้องนั่นฉานั้นมันก็เข้าถึงจุดใหญ่คือคำว่ า, าวิชาเมื่อเข้าถึงนมามธรรมแล้วมันจะเข้าจุดนั้นล่ะบอกไม่บอกก็ตามพราะก็มีวิชาเดียวเท่านั้นนอกกนั้นไม่มีพิจารณาอะไรมันไม่ยอมพิจารณก็มีแต่เรื่อง สัญญาสังขารเรียกว่านามธรรมพิจารณาแต่เรื่องนามธรรมล้วนๆล้วนๆแล้วเข้าถึงปิดเข้าถึงปิดหลายครั้งหลายหนมันก็ถล่มกันลงได้นี่ละการพิจารณาภาวนานเบื้องต้นก็ยังที่พูดให้ฟังแล้วต้องตั้งจริงตั้งใจเอาให้จริงจังคําว่าบุรีกรรมเอาให้จริงแล้วจะเข้าสู่ความสงบจากความสงบแล้วเข้าเป็นสมาธิจากสมาธิแล้วออกพิจารณาทางด้านปัญญา เป็นขั้นเป็นตอนเป็นเวลาเวลาเวลาที่มันหมุนทางด้านปัญญานี่มันหมุนจริงๆนะจนไม่มีวันมีคืนต้องพักนี่กิจะนี้ถึงขั้นมันหมุนติ้วไดจริงๆแล้วเจ้าของเน็ดเหนื่อยเวลาเพราะสังขารปัญญาก็เอาสังขารความปรุงนี่ออกใช่แต่เป็นความปรุงฝ่ายมากไม่ได้เหมือนความปรุงของกิเลส ท, ที่เป็นฝ่ายเสมาุไทยเนี่ เมื่อทำงานม า, มากๆมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อเวลาให้เข้าพักสมาธิเข้าสู่ความสงบอย่ายุ่งเวลานั้นบังคับเข้าให้ได้ ม, มันเพลินนะยีดเวลาถึงขั้นปัญญาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าพักสมาธิมันเห็นว่าสมาธินี่นอนตายวิเฉยนี้ว่างั้นนะปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสแล้วการฆ่ากิเลสไม่รู้จักประมาณมันก็เป็นสมบูรณไทยอยีกเหมือนกันนั่นไม่รู้จักประมาณเพระาะนั่นจึงเวลาเข้าพักให้เข้าพักพัก ความสงบของจิตถ้ามันพักพังมาได้จริงก็ยังที่ผมเคยพูดไปฟังเอาพุโทโธบริกรรมเลยก็มีผมเคยเป็นแล้วนะมันไม่ยอมจะเข้าพักมันจะหมุนแต่ทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสทายเดียวทายเดียวทั้ทั้งที่กําลังวังชาเน็ตเหนื่อยเมื่อล่าพอแล้วเราจึงต้องเอาพุโทโธบังคับไว้ให้อยู่กับพุโทโธสติตั้งนะไม่ยอมให้ออกปัญญาหมุนเีเดียวก็ลงสู่ความสงบแน่วเลยนานเห็นไหมละ่ะ พอจิเข้าสู่ความสงบเนี่ยโว้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ํานะเวลาออกทางด้านปัญญามันเหมือนชุลมุนวุ่นวายเหมือนนักบวยเข้าวงในกันนี่เวลาเข้ามาสู่สมาธินี่มันเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำํำพอได้พักผ่อนย่อนจิตนี่ตอนนี้บางคับเอาไว้ น, ะนี่นะไม่อ่างนั้นมันจะออกอีกเพราะกําลังของท่านปัญญามันหนักมากกว่าสมาธิเป็นไหนอืมาเราว่าเราเผลอเผลอผมไม่อยากพูดนะ ถ้าว่าลามือพอพูดได้นะเพราะมันไม่เฝื่อน่พอเราอ่อนทั้งนี้ลามือสักนิดหนึ่งมันจะพุ่งออกท่านปัญญาเพราะันจึงต้องบังคัาไว้ให้อยู่กับสมาธิแน่วน่งจนเห็นว่าเป็นที่พอใจมีกําลังวังชาทางด้านสมาธิแล้วค่อยค่อ ย, อยถอนออกมาเพราะถอนออกมาจะดีดถึงเลยทางด้านปัญญาให้ทําอย่างนี้ตลอดไปสําหรับนักปฏิบัติอย่าเห็นจะว่า ปัญญาดีปัญญาฆ่ากิเลสแล้ะเตลิดเปิดเปลืงทางด้านปัญญานี่เป็นสมูทไทยประเภทหนึ่งที่แทรกอยู่ใยการพิจารณาไม่รู้จักประมาณนั้นเลยกลายเป็นเรื่องหลงสังขารทางด้านปัญญาไปสังขารทางด้านปัญญากลายเป็นสมูทไทยไปได้เยเพราะเราไม่รู้จักประมาณเนี่ยจึงต้องให้เวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มที่ไม่ต้องบอกว่าถึงขั้นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะหมุนลงมาเอง แต่เวลาพักให้พักเต็มที่ว่ า, างั้นถูกนะถึงขั้นปัญญาแล้วมันจะไม่ยอมพักมันจะหมุนทางด้านปัญญาพเพราะเพลินในการฆ่ากิเลสพอถึงขั้นหมุนเข้ามาทางสมาธิเรียกว่าพักเอากําลังเหมือนเราพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารมีกําลังวังชานั่นถึงจะเสียวเวล่เวลา ในการพักก็ตามสิ้นเปลืองไปเพราะอาหารการกินก็ตามแต่สิ้นเปลืองไปเพราะผลอันยิ่งใหญ่ในการต่อไปโน้นั้นประกอบการงานมีกําลังวางชานี่กิจของเราพักสมาธินี้จะเสียเว ล, เวลาแต่เป็นกําลังอันยิ่งใหญ่ในสมาธินี้จะหนุนปัญญาให้ก้าวเดินสะดวกคล่องแคล่วนั้นให้เป็นอย่างนั้นนะพิจานาอย่างนั้นผู้ปฏิบัติจับไปให้ดีนะที่สอนนี้ผมไม่ได้สอนด้วยความลูกจำนะ สอนไ้ตามหลักความจริงที่ได้ผ่านมาอย่างไรอย่าหลอกหลอกแหล่แลในการภาวนาให้เอาให้จริงจังเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามขอให้ก้าวเดินเนี่ยนี่คือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ไปที่ไหนแหละหขอให้ก้าวเดินตามนี้ให้ถูกต้องเถิดจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเนี่สําคัญอยู่ที่การดําเนินถ้าผู้แนะไม่เข้าใจนี่ทําให้ผิดชาาิได้นี่เราแน่ด้วยความแน่ใจ พอเราดําเนินมาแล้วอย่างช่ำชองไม่มีอะไรสงสัยแล้วในการแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ว่าจะสมร tha ไม่ว่าจะสมา ธ, ไมามาธิไม่ว่าจะปัญญาปัญญาขั้นใดตั้งแต่เรื่องที่ว่าสติปัญญาธนมัตินั่นะไปเรื่อยจนกระทั่งมหาสติมหญยะมันรวมอยู่ที่หัวใจนี่ทั้งหมดอมีความค่องแค้วแก้วกล้าประจับหัวใจตลอดเวลาแล้วจะไปสงสัยสติปัญญา แล้วสติปัญญาตัมาตลอดมหาสีมัญญาไปได้อย่างไงเพราะมันเป็นอยู่กับหัวใจเนี่ยพามันจําให้ดีให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีนะเวลานี้ศาสนาจะเลีวแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนะถ้าเรานี้จะพอเป็นเกาะเป็นตอนอยู่ได้ก็คือฝ่ายกรรมาฐานนะนอกนั้นไม่ว่าท่านมาเรามันเลเอะเทอะไปหมดแล้วเวลานี้อผ้าเหลืองก็คุมหัวร่นไปอย่างนั้นนะ จิตใจความรู้สึกต่างๆที่อาการหมุนไปตามกิเลสตลอดเวลาตลอดเวลาที่จะหมุนมหาธรรมนี่ไม่มีซะแล้วแหละเวลานี้ไอ้พระเราอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะอันจึงพระเราให้หมุนตัวของเราต่างด้านต่างธรรมฝืนกระแสของกิเลสที่นับวันรุนแรงขึ้นทุวันทุวันวนีน้ไปให้ได้นะถ้าเราอ่อนไปตามกิเลสเราจะจมแน่ๆละ่ะโลกองสารมีความสุขความสบายที่ตรงไหน มองไปไหนมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาโขกของสัตว์โลกอย่างนะออข้างนอกสดสวยงงามเป็นเครื่องหลอกเครื่องลวงเครื่องประดับประดาตกแต่งของกิเลษหลอกสัตว์โลกให้ดิ้นไปตามแต่ภายในมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาอยู่ตลอดอย่างน้อยสมอยู่อย่างนั้นแล้วมากกว่านั้นก็ผ่าดโผนโจรทะยานเผาจนเจ้าของจะสลบสลายก็มีมีแต่ความทุกข์จากกิเศษทั้งนั้นแล้วเราจะหลงมันไปหาอะไร พิจารณาสิเรื่องธรรมมีความสงบมากน้อยเพลยลยิ่งเยน็นยิ่งสบายสบายยิ่งให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงด้วยแล้วไม่มีอะไรแล้วในโลกคนนี้ที่จะมาเสียดแทงจิตใจแม้ไม่ถิ้มไม้สายไม่มีเลยนี่เราก็ชี้นิ้วได้เลยว่ามีกิเลสเท่านั้นที่เป็นข้าสื่อของใจกิเลสมีละเอียดก็เสียดแทงอย่างละเอียดเหมือนเสีย้ยนเหมือนหนามนั่น ถ้ามันหยาบมันก็เหมือนภูเขาทั้งลูกทับเอาทับเอ า, ท, เอาทำมันละเอียดลงไปก็เป็นประเภทที่หอกเหลาเหลาเหลียมะละเอียดไปเท่านั้นก็เป็นประเภทเสี้ยนน้าเสียดแทงหัวใจเหมือนผงเข้าตาเดีนั่นแหละวิริยมีมากมีน้อยเหมือนผงเข้าตาที่ละเอียดลงไปแล้วเหมือนผงเข้าตาเพระสิ่งันนี้ขาดสะบันลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเลยนั่นแหละท่านบาจิตที่เป็นธรรมแท้เป็นบร ม, มสุขตั้งแต่ขณะ จี่ิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีทุกข์อันใดที่จะเข้าเชียดจิตใจของท่านผู้สิ้นจิเลสได้เลยก็มีแต่งสมุขรนล้ว น, วนตรงกระทั่งนิพพานนิพพานก็เป็นนิพพานเที่ยงอยู่ด้วยเป็นอนันตการนี่ผลแห่งการปฏิบัติจะตะเกียรติกายหนักมากเท่าไรให้ถึงคำหนึงถึงความสุขเป็นอนันตการสุขเที่ยงธรรมเวลานีทุกข์เอาทุกข์เวลาสุขมันหักจะมี เอาบึกบึงกนไปเพื่อเอาสุขบรมมาสุขที่ไม่ต้อง เ, อเกิดต้องตายเป็นตากาิโกตลอดเวลานั่นอันนี้แหละเป็นของสำคัญให้พากันตั้งอกตั้งใจนะผมก็ยิ่งแก่ลงไปทุกวันทุกวันการแนะนำสงสอนหมู่เพื่อนนั้นให้รู้สึกดังที่เห็นนั่นแหละไม่ค่อยมีเวลาจะสั่งสอนด้วยกำลังวังชาผมก็ไม่อำหน่อยด้วยนี่ผมจะเกียรติะากายไเพื่อโลกความสองสารทนั้นเอง การธรมรมดาผมแล้วผมไม่เอาไหนผมอยู่ที่ไหนผมสบายผมไม่มีอะไรกวนใจอยู่ธรมรมดาคนเดียวนี้โลกมันว่างไปหมดเลยโลกนี่เรียวกว่าไม่มีนั่นคือจิตไม่ไปหมายว่าโลกมีสัอย่างเดียวเท่านั้นมีแต่ความสว่างจ้าอยู่ภายในความรู้อันเดียวนี่เท่านั้นพอไม่มีอะไรเข้ามาสับสนคนไปเหมือนแต่ก่อนที่จิเลศ มันมาตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งซ่อมตังฐานอยู่ในหัวใจของเรานี่เลยพออันนี้พังออกไปแล้วแล้วก็เป็นบรมสุขภายในจิตใจนี่ผลในการปฏิบัติหนักเบามากนอ้อยเพียงไรเป็นที่ภูมิใจในงานการกระทําของเราด้วยเป็นที่ภูมิใจในผลที่เราได้รับได้รู้ด้วยนะไม่มีที่ต้องติทั้งเหตุคือการดาเนินมาและผลที่ได้รับเนี่ยฉะนั้นจึงขอให้ทุกๆท่านเนีตั้งหัตั้งใจปฏิบัติอย่าอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนะ โลกเวลานี้หนาแน่นไปด้วยกิเลสเต็มไปหมดเลยน ะ, ะความสะดวกทุกอย่างอย่างีแต่กิเลสเบิกทางให้ตกเหวตกบ่อทั้งนั้นแหะมันไม่ได้เบิกทางให้ไปสวรรค์ น, นิพพานเพื่อบรมาสุขนะเบิกทางความสะดวกคือกิเลสสะดวกเพื่อกองทุกนะเบิกทางของธรรมนี่เพื่อความสุขบรมาสุขมันต่างกันอย่างนี้นะเอาละเอาแค่นี้ละพูดไปแบบนี้พอโอ้เาจะไปพูดไหมพนัง